ว่าคนไมเคยดูเลยนะว่าลมหายใจถ้าหายใจเข้ายาวก็น่าจะหายใจออกยาวคิดยังง้ใชลองหายใจเข้ายาวออกสั้นหายใจเข้าสั้นออกยาวแล้วทำให้มันเท่ากันหนุสติก็จับอยู่ที่การสัมผัสดับรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี ทีนี้นขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทำยังไงอ่ะมันจึงขึ้นเรียนผ่านอนุบาลไปได้คือต้องให้มันเกิดภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาให้ได้จากการที่ตามมหายใจธรรมดาเนี่ยเข้าสั้นลงยาวลงหยาบลงละเอียด และทำให้เกิดความรู้ตัวทุกขร้อมคือแน่นอนนะมันต้องผ่านนิวร์ผ่านความงวงความเงาความสลึมสลือเมื่อสู่ภาวะของการเกิดปีติเกิดยิ่มเกิดโล่งเกิดเบาตัวขึ้นมานี่ส่วนมากคนมันทำไม่ได้ไอเ น, นี้ทำสักพักแล้วก็ ง, วง่วงเงาหลับ เราเก็เรียกว่าบางทีก็เรียกว่าตัวเองทำสมาธิสมาธิในพุทธศาสนาจะต้องมีภาวะกรมมณียโภปิสุทโธจะมายิโตตั้งมั่นผ่องใสโล่งปร่งแล้วก็มีภาวะรองรับของการที่จะบรรลุมรรคผลในวินาทีข้างหน้าได้ กคือว่ากรรมนิโยเป็นพลังมีพลังต่อการรู้แจ้งไม่ใช่จะเป็นภาวะแห่งความม่วงความเหงาความหลับไปถ้าทำวิปัสสนาทำสมาธิอะไรก็ตามสมถะ h ถ้าออกจากความติดจิตอยู่ในนิวรธรรมขัดขวางจิตไม่เป็นสมาธิ ถึงไม่ว่าปีจีนะั้นจะมีในตำราหรือไม่มีก็ทำแหละจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยเราเป็นนักแสวงหาก็คือต้องแสวงหาสัจจะแสวงหาความรู้รู้ในทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยมันทุกจเจริญกรรมลำดับนะถ้าเราหามานานหาทุกกว่าไม่เห็นสมุทัยนิโรธมากไม่รู้ไปไหนเอายงไงก็ไม่ได้วัดตรงนี่ทุกมันไม่ลดนะ ยิง่งในขณะที่เมื่อเราตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยเรารลับตาทำสมาธิได้เยี่ยงแยี่ยมจมฝืนไปได้มากประมาณสักจัวโมงคนไม่ค่อยเข้าใจคาว่าพวังพวังคาว่าพวังเนี่ยจิตตกพวังเลยหมายถึงจิตหลุดเข้าไปอยู่ใน ความมีความเป็นแต่ในมักเขาสัจจะเนี่ยจะหมายถึงจิตมันตกเข้าไปอยู่ในกระแสของความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่คนตกเข้าไปอยู่ในความง่วงความเหงาที่ว่าติดตกผวันคนละเรื่องกั น, กนเขาใช้คํานั่งเขาใช้คำว่าวิตกจิตเนี่ยมีคําว่าวิตก ปกติมีคำว่าตกบ้านเราเนี่ยกตกก็คือต ก, กะนะฮะคือคิดปกติจิตมันคิดนั่นคิดนี่คิดไปตามอายตนะแต่คําว่าวิตกนี่หมายถึงจิตที่มันรู้รูปนามแล้วมันตกอยู่ในกระแสของความรู้ตัวมีสติสัมปชัญะมีความรู้ตัว่ ปรากฏเกิดขึ้นแทนที่จะอยู่กับความคิดมันก็ไม่อยู่อ่ะมันอยู่กับความรู้สึกตัวภาวะนี้เขาเรียกว่าวิตกแต่ทางโลกเนี่ยคาว่าวิตกคือปริวิตกคิดเยอะนะเนี่ยไม่คิดเยอะคิดเรื่องนั้นเรื่อนี้เรียกว่าวิตกทต้องทำไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ศัพท์มันใช้ไม่เหมือนกันนี่ทำไงไมันจะรู้ สิ่งที่นักปฏิบัติธรรมควรทำก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่ใช่หลับตานะสำรวมเราจะไม่ป ร, กรากฏผู้ที่เจ้าสอนให้พระเนนหรือนปฏิบัติธรรมเนี่ยหลับตาแต่ท่านให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือให้เกิดการรู้พร้อม รู้รวมกายรวมใจถ้าหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเอามาอยู่ที่จิตเอาจิตแต่ก่อนเราเอาจิตมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้เอาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่ที่จิตเป็กระทบผัสสะเนี่ยให้รู้สึกว่ามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ว่ามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้ พอรู้ถ้ารู้พร้อมกับใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นอันเดียวกันนะเป็นสภาวะของวิญญาณนะถ้าเรารับรู้มันก็ปล่อยรับรู้มันก็วางือรู้แล้วมันปรุงแต่งมันก็ดูออกนะเธอที่จะปล่อยตาก็ไปทางตาหูก็ไปทางหูก็ไม่เอาอย่างนั้นเป็นความรู้สึกว่ามันมันสัมผัสได้มันรู้ได้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลย คือมันเหมือนเป็นอันเดียวกันนะตาหูจมูกลิ้นกายกับใจเนี่ยทุกข์ก็เห็นทุกข์ทันทีอะจิตมันจะเข้าไปในภาวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่นะอยากเป็นการมาตัณหาความอยากได้ภาะวะตัณหาในความอยากเป็นจิตมันจะติดอยู่ในอารมณ์พวกนี้ออกไม่ได้ แต่เรานั่งสงบซะมันก็ติดความสงบเขาเรียกว่ามันสวยวีทนาจิตเนี่ยเสวยสวยนี่เป็นเรื่องของการกินแต่เป็นเรื่องของจิตที่มันรับอารมณ์เข้ามาแต่เราไปใช้เป็นราชาสับสับองพระราชาซะเป็นคำสูงว่าเสวยอืสวยคือกินอาหารกินนู่นกิน น, น, น, นี่นะ จะยิงสเสวยไปว่ากันกินทางวิญญาณคือการรับรู้และเขาไปอยู่ในอารมณ์ันนั้นนะครัเรียกว่าสเสวยที่ที่ผู้ปฏิบัติทำก็ไม่ได้สเสวยอารมณ์รับรู้เฉยๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางคือไม่เขาไปอยู่ในตัณหานั่นเอง เพราะถ้เหลือเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดความทยานอยากเพราะมันคิดเรื่องนี้มันจะยาวอยากคิดต่อเรื่องนั้นคิดต่อเรื่องนี้เอาเหตุนั้นมาต่อเอาผลนั้นนี่มาปรุงแต่งเข้าไปมันก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ใช่ใจเราละทีเนี้ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติระลึกรู้ เป็นกายคตาสติคสติที่เป็นไปในกายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จากความคิดอารมณ์หรือขันธ์ห้าทุกที่เกิดทางกายเราพอดูกายเราจะรู้นะว่าความคิดมันเป็นยังไงความทุกข์ทางกายที่เกิดขึ้นเป็นยังไงทุกเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้คือไม่เสวยมันน่ะมันเป็นของมันก็เป็นแบบนั้นน่ะ เพื่อจะรับรู้ว่ามันมีทุกขเวทนามีทุกขเวทนาเวทน า, นาปรากฏเกิดขึ้นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอัทุก ข, าากขามาสุขเวทนาสุขเวทนาก็หมายถึงสภาว่าที่พอทนได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พอทนได้นะทุกขเวทนาเนี่ยทนได้ยาก ทุกขกับมัสุขเวทนาในเฉยกับมันเป็นจะว่าเป็นสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเป็นเวทนาธรรมดาทีนี้ทั้งสามภาวะเนี่ยเราก็รับรู้มันเป็นศักแต่ว่าถ้าเราผ่านได้รับรู้เฉยเฉยได้ เราก็จะเริ่มหาเหตุของความทุกข์ต่อไปอีกมันความทุกข์มาจากไหนถ้าเราเฉยกับกายได้แล้วมันเป็นยังไงถ้าไม่ไม่เป็นทุกข์อยู่ทุกเพราะมันเข้าไปในภพในชาติใช่ไหมมันเข้าไปอยู่ในอารมณ์ในความปรุงแต่งหรืออย่างน้อยก็อยู่กับความสงบแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดปัญญา เพียงชู่ขณะชั่วคู่ชั่วขณะเวลานาทีหนึ่งไปติดแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสชื่อแล้วโอกาสที่เราจะสามารถรู้แจ้งนะสามารถดับทุกข์ได้นี่ยมันก็ดับไม่ได้ซะที่จริงเมตนาเนี่ยเป็นตัวสืบต่อจากการรับรู้ผัสสะทั้งหลาย พอกระทบปุ๊บมันก็จะเป็นเวทนาเป็นความยินดีความพอใจความไม่พอใจปรากฏขึ้นนะแต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันเนี่ยอาการความพอใจไม่พอใจก็จะลดน้อยลงยิ่งถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่เป็นสติเป็นสัมมาสติคือการรับรู้ ในพัสดะแต่ละครั้งเนี่ยเป็นแบบรูกตามความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งสบายคาว่าสมาสติก็คือเห็นทุกข์ตามความเป็นจริ ง, งนั่นแหละทำไงจึงจะเห็นการกระทบพัสดะเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นรูป ก, กายไม่เป็นทุกข์วางกายได้ได้ไม่ยึดติดไม่คิดอะไรกับกายที่นิเวทนาก็เป็นอาการของกาย อะไรก็ตามท้่เห็นทุกข์เห็นกายนี่เป็นทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นทุกข์ทั้งหมดนเหมือนเราเห็นซากศพของสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งที่มันเน่าหมดตัวมีเชื้อโรคดันั้นเราก็จะลังเกียจไม่อยากตัดชิ้นส่วนส่วนไหนมารับประทานมากินมาดื่มมาปรุงเป็นอาหารเลยเพราะว่ามันเชื้อโรคมันสกปรก กายเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นกายพราะมันเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับกายเรานี้ะหรือแม้กายอื่นก็ล้วนเป็นทุกข์เหมือนกันนะมันเป็นทุกข์เหมือนกันปรุงแต่งไปก็คือปรุงแต่งความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นทางตาทั้งหูจมูกลิ้นกายปรากฏการทางอายตนะพิรพัสสะาาเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะสังขารหยาบหยาบมาปรุงแต่งมันด้วนเองเป็นสังขารและธรรมแต่สังขารพวกนี้ก็อีกหน่อยก็ดับเกิดมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปคนโง่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาก็จะสนุกเพลิดเพลินกับสังขารปรุงแต่ง แต่และช่วงเวลานาทีนวิ่งเข้าไปอยู่ในพบอยากเป็นนั่นเป็นนี่เขาไปอยู่ในความคิดคิดสเสนุกดีเก็ดับไปก็กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มาหนึ่งๆก็ปรุงแต่งไม่รู้ขี่ร้อยขี่พันรอบเนะีเพียงเพราะไม่เห็นทุกทางกายเท่านั่นเองเราไม่เห็นทุกทางกายว่าเกิดยังไงดับอย่างไรงนะ พอสติมันไม่มีมันไม่รู้เห็นทาความเป็นจริงเท่าทันเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสติเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากสัมมาสติคือระลึกรู้อย่างถูกต้องรู้กายเป็นกายรู้เวทนาเป็นเวทนารู้จักจิตคิดไม่คิดรู้จักอารมณ์เกิดดับยังไงเนี่ยดูออกวางเป็น ถ้าเรามีสัมมาสติเยอะๆเนี่ยสัมมาปัญญาก็เกิดขึ้นนเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิโดยธรรมชาติถ้ามีสัมมาสตินะทิฏฐิเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติยิ่งมีสัมมาทิฏฐิมากทีเนี้ยมีสัมมาทิฏฐิมากๆสัมมาปัญญาสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นมา คือมันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันนะถ้ากินอาหารได้ถูกต้องต่อเนื่องกินยาได้ถูกต้องต่อเนื่องโรคภัยมันก็หายได้โดยธรรมชาติมันมนเหมือนฤดูกาลฝนฤดูกาลลมหนาวเนี่ยพัดเข้ามาความหนาวก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติมันบรรยากาศทั้งหลายทั้งปวงเป็นวิถีที่อยู่ในช่วงความหนาวเนย ถ้าดูดูฝนก็ฝนก็จะตกโดยธรรมชาติธรรมะนี่ก็เหมือนกันเน่เวลาลดูดูเห็นทำก็มาปรากฏการเหตุปัจจัยปรากฏเกิดขึ้นถ้าทำถูกสมาธิมีความเข้าใจว่าการเข้าไปติดอยู่ในภพในชาติในความคิดอารมณ์ในแต่ละขณะขณะเนี่ยมันเป็นทุกข์หยาบๆยาบที่เกิดจากความไม่รู้ของเราเองเทนั้น มันเป็นทุกข์หยาบๆของเราเองที่เกิดจากความไม่รู้พอไม่รู้มันต้องต้องปรุงแต่งนะ่ะปรุงเพร่ออะไรปรุงเพราะมีมความอยากมันอยากเพราออะไรอยากเพราะมันไม่รู้รู้ว่าอันนี้คือทุกข์อันนี้คือสังขารเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นคิดรักคิดชังคิดอยากเปนโนป่นไปนี่คิดเบือ่อคิดนายล้วนแต่เป็นความคิดที่เกิดจากความไม่ปกติของใจนั่นเอง วันวันหนึ่งเนี่ยเราแหวกไหว้อยู่ในอารมณ์พวกนี้ตลอดเวลาคิดมาแล้วก็แวกไหวออกมาหาความปกติเจอความรักเกิดขึ้นความชังเกิดขึ้นแล้วก็แหวกไหวออกจากความรักความชังงุนงิติดอารมณ์แล้วก็แวกไหวออกวันวันหนึ่งอยู่กับความแหวกไหวในสังสารวัตรนะเป็นอยู่ทุกลมหายใจเป็นอยู่ทุกขณะจิตไหลอยู่ในกายะ ยินดีพอใจในกายในกามในรูปในอรูปแต่ก่อนยังเมาในกายนะทู้ส่วนกายเนี่มันเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นกายในกายเห็นกายว่าเป็นสักแต่ว่าเห็นรูปนี่มันเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่เกิดคิดติดอารมณ์ ในเรื่องที่ไม่ใช่รูปอย่างลาบยศสะลรเสืิศนเนี่ยเราก็ยังเป็นไปปรุงแต่งมันเพิ่มขึ้นอีกนะคิดว่ามันมีจริงนะติดในรูปี้ก็หนักแล้วยังติดในอรูปอีกดังนั้นบุคคลใดก็ตามมีสติรู้ตัวบ่มเพาะปัญญาจารู้การเห็นกายมีสติที่เป็นไปในกายย่อมเหนื่อยหน่าย ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทนหลงมันไม่เข้าไปอยู่ในความหลงอันนั้นของว่ากายนี่เป็นของเราหรือเป็นของเขาของใครก็ตามเป็นภาวะศัก์แต่ว่าเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไงทุกอย่างเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์โดยธรรมชาตินะกายนี่เป็นทุกข์ความไปปรุงแต่งกับกายก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีก เพราะกายนี้มันแตกดับอยู่แล้วกันทีที่เห็นว่าเป็นสุขเราก็เห็นเป็นเพียงสัง่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปเสวยอารมณ์ในเวทนาเราปล่อยเป็นเวทนาที่บริสุทธิ์ล้วนๆเจ็บก็เจ็บล้วนๆปวดก็ปวดล้วนๆไม่มีอุปทานขันเข้าไปยุ่งกับมันเป็นกิริยา เป็นกิจิยาของขันธ์ไม่มีประธานไม่มีกรรมไม่มีคนรับกรรมไม่มีประธานไม่มีผู้กอ่อเกิดกรรมทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยของการไหลของธรรมะนั้นเองธรรมะมันไหลไปโดยธรรมชาติมันหิวก็รู้ว่าหิวยิมก็รู้ว่ายิมเนี่ยแต่ไม่มีอะไรเกินนั่น สิ่งทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมองเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุนะดูทุกอย่างเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไปหมดนะมองสิ่งที่ปฏิกูลเมื่อเป็นสิ่งที่ปฏิกูลตามความเป็นจริงโกโปกน้าข ย, ขายักขยแงก็โดยธรรมชาติมันมองสิ่งที่ไม่ปฏิกูล ก็ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลที่สิ่งที่สปกปรกเรามองแบบเป็นธาตุธรรมชาติไม่สปกปรกก็ได้แต่ก่อนนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามเป็นธรรมชาติของธาตุเนี่ยเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ของดีๆทั้งนั้น เป็นความสวยความงามความพึงพอใจความยึดติดทีนี้พอมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองไม่ใช่รู้เท่าทันสังขารนั้นข้างนอกนั้นนะ้รู้เท่าทันความคิดตัวเองที่จะปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติไปจากมองเห็นว่ามันสวยมันงามก็กลายเป็นธรรมชาติจากการที่เห็นว่ามันทุกขเวทนาก็เป็นธรรมชาติ อสุภะก็เป็นธรรมชาติจากความไม่เป็นอสุภะก็เป็นธรรมชาติคือยิงธรรมชาติทุกอย่างมันไหลไปสู่ความเสื่อมอแล้วนี่มันตั้งมั่นอยู่ได้พอนั่งพอคุยพอฟังได้เนี่ยมันทนได้สักพักเดียวเองนะกายอันนี้อีกเส้นหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งสักพักเกิดกับภามันไปกินไปดื่มสังขาร น, นี่มันเป็นของ เหมือนหม้อดินนะ่ะที่พร้อมจะแตกดับตลอดเวลาพร้อมที่จะปุพังถ้าเราไม่เห็นไม่รู้เท่าทันมันมันก็ปรุงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่ามันเสมอการมดทํายังไงก็ได้เนี่ยสิ่งที่เป็นสาระก็ดูออกไม่เป็นสาระก็ดูออกนะดูทุกอย่างเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นทุกข์ขังเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังก็คือ มันพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่ในสภาพเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นทุกแบบทราบซึ้งเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารร่างกายนเนี่เป็นทุกเป็นทุกแบบทราบซึ้งนะตรึงจิตเอารู้สัมผัสสภาวะอารมณ์นี้มันเป็นทุกจริงจริงนะเหมืนเราเข็ดหลากทุกเกกับความรักอเงี้ยรักใครสักคนทุก ความทุกข์นีอยู่นานใครพูดก็ไม่รู้นะว่าความรักเนี่ยมันกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊บเดียวเองนะมันไวมากไอ้ที่มันไวเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าสติมันน้อยนะสัมมาปัญญาการรู้เนี่ยมันน้อยนั่นพอเห็นอะไรมันวับตึงนีใช้เวลาที่จะรักเนี่ยนิดเดียว แต่ใช้เวลาที่จะลืมเนี่ยเป็นแผลในใจในการรักษาเนี่ยบางทีจนตายลืมไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะไม่เรียนรู้ในวิธีการฝึกจิตตัวเองไมไ่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไงยเมื่อไในเราเห็นทุกข์แบบทราบซึ้งจริงๆเนะี่ยตัวอันนี้จังเนี่ยจะปรากฏเกิดขึ้นเลยเวลากระทบปุ๊บครังหน้ามันจะดับไปกระทบปุ๊บมันอันนี้จังอันนี้จังเร็วขึ้นนะ เี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติทำเนี้เพื่อให้เห็นทุกทุกสมุทัยนิโรธมักนั่นแหละจริงๆนั้นเนี่ยยิ่งเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราเห็นทุกทุกอันเป็นอนิจจังคือมันสลายไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าเราเห็นทุกเป็นแบบพอกระทบพุบเป็นอนัตตาอนัตตาคือมีเรามันปรากฏปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งนะั่นแหละ หายไปเลยไม่มีทุกเลยทุกไม่มีสุขก็ไม่มีมีแต่ความโปร่งความโลง่งความเบาสบายขึ้นมานั่นอนัตตาปรากฏขึ้นมาในจิตเราละนน้อยที่นี้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเรียนรู้ทุกขแล้วปล่อยวางทุกทุกก็จะน้อยแต่ว่าการเห็นในนิจจงเนี่ยมันปรากฏชา้าอ น, นิจจงในทนะุกน่ะทุกไหนก็ทำที่ปรากฏเกิดขึ้นอนย่าง มันอ น, นิจจังอยู่แล้วนะ่ะเพียงแต่ว่าเราถอนอุปทานไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าความทุกข์นั่นเป็นความสนุกเป็นความเพลิดเพลินแต่เห็นทุกปุ๊บมีสติและล็กๆรู้เอามันดับปุ๊บมันสลายไปมันเริ่มอ น, นิจจงตัวอ น, นิจจงเนี่ยไปเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเร็วเข้าเร็วเข้าเลยมันจะกลายเป็นอนัตตานดีเเห็นปุ๊บหายได้ดี แต่ส่วนมากคำว่าอนัตตาเนี่ยเขาจะใช้กับเรื่องของปัญญาเวลาวิปัสนาญาณเกิดขึ้นแต่ละครั้งแล้วทุกมันหายนะถูกเผาเลยนะเขาเรียกว่าอาตาปีมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสถ้ามันเผากิเลสได้นะเวลาทุกเกิดขึ้นปุ๊บถูกเผาปุ๊บหายไปไม่มีเชื้อไม่มีฝุ่นให้เห็นเลยแจ้งไปเลยนะเขาเรียกว่าอนัตตาปรากฏ ทตัวอนัตตานี่มันปรากฏเป็นบางครั้งคราวถ้ามันจะกลายเป็นปัญญาขอให้เห็นปัญญาขอให้เกิดปัญญาเห็นอนัตตาสักครั้งหนึ่งนอกนั้นมันจะเสมอกันหมดนะสังขารทั้งหลายจะเท่ากัน่ะเราเห็นความคิดอันนี้เป็นอนัตตาความคิดทุกอันก็เป็นแบบนั้นนะความรักความชังก็คือความคิดนั่นเองใจใจมันจะเป็นภาวะที่มันว่าง พอว่างแล้วก็ดับเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆลงไปดิเนมันชอบอันนี้ยังมาอยู่แล้วเนี่ยสังสติเราก็เห็นเมื่อไหร่ที่เรามีสติระลึกรู้เห็นเท่าทันอาการของทุกข์อันเนี้ยแต่ทุกข์มันก็ยังแวบมาอยู่ไอ้ทุกข์ที่มันแวบมานะนะั่นน่ะมีสติเห็นรู้นะแต่มันก็มาทีละเล็เกๆแต่น้อยนะเราห้ามมันไม่ได้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าทุกข์แบบอนุใส สติเห็นแต่ก็ยังมาอยู่เนี่ยก็ เ, เรียกว่าเป็นอาสวะแต่ภาวะพวกนี้จะเกิดขึ้นจากการรู้รูปนามรู้ปรามัิไปแล้วนะถ้าเพียงรู้รูปนามเนี่ยแล้วเห็นความคิดตัวนั้นกลมาคนนี้เกิดนิสัยนั้อันนี้ภาวะพวกนี้ยังไม่ถูกกันกลองจริงถ้ามีสติกรองคนนี้ออกปุ๊บยังจะเห็นทุกข์ที่มันละเอีเยดในน้อยละเอียดกว่านี้อีกข้างในไอ้ที่มันละเอียดละเอียดที่ไม่อยู่ข้างในเนี่ยก็เรียกว่าอนุัยเรียกว่าอาสวะธรรม ส่วนมากจะหมายถึงกิเลส ท, ที่มันแฝงตัวมาในวิถีชีวิตประจำวันในความชอบไม่ชอบจะดิดดิ้นใสตัวเองมันมาจะดิดดิ้นใส่ตัวเองเราเคยทําอะไรเคยชอบอะไรชอบกินอะไรชอบดื่มอะไรชอบไปอะไรชอบทําอะไรเกี่ยวห้องอะไรยังไงที่มันติดอยากทำํำมันนั้นบ่อยๆไม่ได้ทําก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรสั อ, อย่างก็อยากทำยิง่ง มันแฝงมาแฝงมาในรูปพฤติกรรมแฝงมาในรูปแบบของการใช้ชีวิตตัวเองซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสติของเราเนี่ยถ้ารู้เท่าทันเขาก็เรียกว่าเป็นสมาธิแต่ ถ, ถ้าตัวรู้นี่รู้แล้วดับได้รู้ระดับไล่หายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาเั้นฝึกสติให้เป็นสมาธิได้ไหม ฝึกสติก็รู้เท่าทันอะไรที่มันห ย, ยาบๆนี่แต่พอรู้เท่าทันมากๆรู้เท่าทันความโลภเขก็เรียกเป็นสมาธิรู้เท่าทันความหลงที่เขาไปอยู่ในความคิดความปรุงแต่งมันแว บ, บเข้าไปเนี่ยก็เป็นปัญญาฉะั้นปัญญาหมายถึงสภาวธรรมที่สามารถดับความหลงหลงเข้าไปอยู่ในความคิดนะ่ะได้ ถ้าว่าของปัญญาก็คือการเห็นอนัตตนั่นแหละมีอนัตตาปรากฏในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราเห็นมันถ้าคนมีปัญญาเห็นอนัตตาสักสองสาครั้งเนี่ยครั้งแรกก็เห็นรูปนามครั้งที่สองก็รู้จักสมมุติทั้งหลายรู้จักปรมติเห็นการเกิดดับของจิตพอเห็นการเกิดดับปุ๊บก็จะเหลือจะอนุสัยน้อย แล้วมาเฝ้าดอีกก็จะทําอาสวะให้สิน้นทุกข์ก็จะหายคลายจางหลุดไปเลยหลังนั้นก็ไม่มีเราทําความทุกข์เล็กๆในน้อยที่มันค่อยๆปุดออกมาเนี่ยหายเกี้ยงไปนะก็เรียกว่าสิ้นอาสวะนะมันไม่มีเลยมีแต่ความโปร่งในจิตเราเนี่ยนั่นจิตจะเราจะสัมผัสว่าไอ้ทาไมจิตมันเย็นลงนเย็นลงอะ่ะมันไม่ใช่ดับเฉยๆนลยแต่มันเย็นด้วย มันจะเย็นอยู่ข้างในลึกๆเนะขาเรียกว่ามันดับเย็นเนไะงไอเนี่ยมันเย็นกายเย็นใจสบายกายสบายใจกายนี่ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ใจมันเห็นภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยใจมันเย็นทุกข์ก็คือทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์แต่ไม่ได้สวยมันเป็นธรรมชาติของมันนะ่ะ เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ดับเป็นธรรมดาบางทีบางคนเรียนรู้ทำทางอายยตนะมมีสติแล้วก็มาเฝ้าดูสิ่ง่ปรากกดกิดขึ้นกับตากับหูกับจ ม, มูกกับลิ้นกับกายมีความคิดความอยากเบื้องต้นก็อยากแบบหยาบๆแต่พอฝึกฝนไประยะหนึ่งก็จะรู้สวยเออทุกเนี่ยมันละเอียดลงนะคิดน้อยๆ ย, ยังไม่ได้ปรุงแต่งเลย พอคิดมายังไม่ปรุงมันกระดับไปแล้วคิดมายังไม่ปรุงดับไปแล้วยังไม่เกิดสังขารนนะ่ะมีแต่เวทนาปรากฏตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นกระทบอะไรขึ้นปรากฏการนั้นก็เกิดขึ้นเพียงแต่วัตสติเรารู้เท่าทันตัวเวทนามันก็ไม่ไปปรุงไม่ปรุงแต่งขึ้นมาพอไม่ปรุงแต่งมันก็จะเริ่มหดตัวลงหดตัวลง นี่งถ้าเกิดวิชาคือเกิดการรู้แจ้งแต่ละครั้งเกิดรวมพูม้ทุตข์ทุกอมเนี่ยมันทําให้อุปทานขันในเกิดการหดตัวที่เราเห็นเลยในะข้างในเพราะมันหดตัวแบบนี้ก็มีนะจิตเนี่ยทนที่กระทบเรามันจะวิ่งไปแต่เราเห็นภาวะอาการนั้นๆในช่วงเวลานั้นเวลาเท่านั้นตอนนี้ว่ามีอาการหดตัวเกิดขึ้นปรากฏกับจิตเราเทียนความดับาหายไป ปรากฏการณนั้นประจักษ์แจ้งอยู่ในจิตเขาเรียกว่ารู้จักอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงเห็นทุกพร้อมกับการหดตัวของทุกขเนี่ยนะพร้อมกับหดหายพร้อมกับการสลายไปของทุกเนี่ยว่ามันมีอยู่จริงอพอเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้จักเลยว่าเส้นทางไปหาพระพุทธเจ้าหรือเส้นทางจะไปหาความสะอาดสว่างสงบไ ป, ไปทางไหนเราไม่สงสัยละ กี่วันกี่เดือนมันก็เป็นแบบนี้อันเดียวกันเนี่ยพ่ออยู่ทุกวันดุวัวนก็ไม่มีอะไรแปลี่ยนนทั้หมดเดี๋ยวไปทํำนั่นไปปรุงแต่งจิตมันอีกเดี๋ยวพามไป น, นี่ไปเที่ยวอันนั้นเที่ยวอันนี้พยายามปรุงแต่งมันขึ้นเรื่อยๆทั้งที่จริงสิ่งทั้งหลายทั้งพวงเป็นเสมอกันมเป็นรูปประคันเสมอเกินหมดเป็นวัตถุเหมือนเกินหมดเลย มันเป็นเพียงแต่วัตถุเป็นเพียงแต่รูปขันสติที่รับรู้นี่ก็เป็นเพียงนามกระทบปัจถ้าเราไม่ปรุงทุกอย่างก็ดับตรงนั้นน่ะกระทบตรงไหนดับตรงนั้นกระทบตัวไหนดับตัวนั้นไม่ได้มายึดพอจะเป็นอารมณ์ให้มาปรุงแต่งมีอดีตอนาคต เมื่อทุกอย่างเป็นสภาวะว่างเปล่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เบีบลรงแต่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแบบว่างเปล่าแล้วเราจะาทุกมาจากไหนทุกมาใส่จิตนี้เกิดเพาเราอยู่มีความอสสาทะมีความพอใจมีความพึงพอใจอยู่ในสังขารอันนี้ทุกมันก็เกิดกับสังขารอันนี้เรายังมีความพอใจความคิดความปรุงแต่งอยู่กับความคิดเนี่ยทุ ก, ก็มาอาศัยความคิดนี่แหละเกิด ดังนั้นผู้รู้ท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าคนเป็นทุกเนี่ยรู้ไม่เท่าทันสังางฐานไม่รู้เท่าทันการปรุงการแต่งของอวิชชาเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งว่ามันเป็นทุกมันก็ต้องคิดอยู่น่ะแนะมันต้องไหลไปทมความคิดไหลตปทความปรุงแต่งนะั่นแหละวิบาของชีวิตเราจึงอยู่ที่อวิชชาคือการไม่รู้ทุกตามความเป็นจริง เรามาอยู่ในนี้ไม่ใช่ว่าเรามาทำให้มันเป็นทุกข์นะแต่ทุกข์มันมีอยู่แล้วตามความเป็นจริงมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่พอเราหลงวิปนาก็เหมือนเราถูกหลอกนะเราหลอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นสุขกามมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาโลความสุขซนะึงอยากได้แต่มันก็มีรสชาติของมันนะ่อย่างกามอยากในกามภาวะตัณหาอยากในอยากเป็นอยากมี ถักได้รู้สึกว่ามันมีเนี่ยอันนั้นเคมีหน้าเอาอันนี้ก็หน้าหาได้หน้าเป็นจริงทุกอย่างความมีความเป็นเนี่ยเราปรุงแต่งขึ้นมาที่เฉยเรายึดในความปรุงความแต่งเราเองว่ามันมีมันเป็นเป็นอารมณ์หนึ่งเห็นไหมพอเราสักพักหนึ่งเราเฉยเฉยมันก็เฉยเวลานอนนอนมันกันหลับไปมันก็ไม่มีอะไรพอคิดตื่นขึ้นมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีถ้าคิดมันก็เข้ามา แต่ว่าเราจะปรุงแต่งออกแบบไหนเนะปรุงแต่งให้สวยงามกว่าสวยงามปรุงแต่งจิตอาทุกขมสุขเวทนามันก็เป็นอาทุกขมสุันุแต่ความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราปรุงแต่งว่ามันสุขมันทุกข์เนี่ยจริงๆความปรุงแต่งตัวมันเองก็เป็นสังขารนนะความคิดเกิดตรงไหนความพอใจเกิดตรงไหนความแตกสลายก็เกิดตรงนั้นคิดกี่ครั้งก็ดับเท่านั้นครั้ง มันไม่ใช่ของจริงไงมันเป็นของปรุงแต่งแต่คนตั้งหลายก็มาบ้าอยู่กับความปรุงแต่งความปรุงแต่งบางอย่างก็เป็นประโยชน์บางอย่างก็ไม่เป็นประโยชน์แต่เชื่อเถอะจิตของเราเองไม่มีอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นสร้างขานโมดสิ่งที่เป็นประโยชน์เหนือประโยชน์ก็คือเข้าถึงสภาวะธรรมอันนี้ให้ได้เลยนี้เลวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ย สติมีปัญญาเกิดหาทุกข์ก็เห็นทุกข์หาสุ ข, ขก็เห็นสุ ข, ขแต่เห็นความสุ ข, ขกับเห็นความทุกข์เนี่ยอยู่เหนือสิ่อื่ น, นก็คือมันไม่เที่ยงสุขมีไหมสุขมีไหมทุกข์มีไหมมีสุ ข, ขก็มีทุกข์ก็มีแต่มันมีอยู่ด้วยความไม่เที่ยงมันเห็นเป็นเหมือนน้าแข็งเนี่ย รวมตัวเกินขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอีกสักพักหนึ่งมันก็ละลายสลายไปธาตุแท้ของน้ำแข็งก็คือน้ำแต่มันถูกเหตุปัจจัยเป่าของมันได้เฉยมันก็เลยกลายเป็นเย็นไอ้ที่เราบอกว่าสุขสุขสุขสขสขสขมีความสุขเหลือเกินมีอ น, นั้นนี่นี่จริงๆเวลาเฝ้าดูมันจริงๆริธาตุแท้ของมันก็คือทุกนันเองเนี่ยนั่งไปสักพักขยับตรงนี้ปุ๊บเอาพอทนได้ แต่เราหลงหลงว่าเป็นความสุขเพราว่าอันนั้นจริงๆมันทนได้สักพักหนึง่งตอนนี้มันเป็นรูปรูปนั่งนั่งสัหน่อยก็เป็นรูปยืนอีกหน่อยก็เป็นรูปนอนไอ้ที่ยืนเดินนัง่งนอนกู้เหยียดเคลื่อนไหวแบบไหนเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์หมดเลยเป็นการแก้ความทุกข์นะเราวิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้อันนั้นวิ่งตามความคิดนะ่ะอันนั้นทุกข์ที่เกิดจากจิตอันนั้น แต่เรามาแก้ทุกในกี่ยแก้ทุกที่เกิดทางกายอันนี้แต่ปุถุชนคนไม่สดับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้พัฒนาจิตเนี่ยเขาจะทุกข์ทั้งสองอันทางกายก็เป็นทุกข์วิ่งหาความสุขที่เกิดจากกายนีย้ทางจิตก็เป็นทุกข์ก็วิ่งตอบสนองความคิดความอยากดังนั้นเราหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติ มาเพื่อให้มันเป็นความสุขเนี่ยหางมาเท่าไหร่มันจึงไม่มีความสุขซะทีเพราะมันเป็นปรากฏการณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์เกิดขึ้นของทุกข์ของความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็ดับไปอุปาทะติฏิพังคับเกิดขึ้นสักพักเดี๋ยวก็ดับไปมาดับไปร่างกายนี้ถ้าเราได้มาเนี่ยเราเห็นมันเฉยๆโอ้มันเป็นแบบ น, นี้เฉยๆของมันเนาะ เราก็ดูอะไรแบบผู้รู้เท่าทันสังขารทั้นความทุกข์ก็ไม่มีเพราะนั่นคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติของธาตุของกัน์นั่นเองแต่เราไม่ใช่อยู่กับความหลงที่นี่จะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยก็ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจถอนตัณหาความรู้สึกที่เกิดจากการปรุงแต่งแบบหยับๆติดอยู่ในความคิดในอารมณ์เนี่ย ติดอยู่ในกายในความคิดตื้นๆความคิดห ย, ยาบหยาบนะถ้าติดอยู่ในจิตแหละในความคิดในอารอมณ์ติดความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดเข้าไปเองถ้าติดทางกายเนี่ยหยาบหยาบทางจิตนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะนั้นเราจึงพยายามที่จะทําให้จิตเราปล่อยวางไงทาให้จิตมันปล่อยวางพยายามระลึกรู้ให้อยู่กับปัจจุบันจะให้หลุดไปกับความปรุงแต่งจะให้หลุดไปกับความปล่อยความเข้าไปยึดติด ทำให้มันพยายามรู้ตัวถ้าเข้าไปยึดติดอะไรก็อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ดับยิ่งถ้าเราถอนความพอใจไม่พอใจเรายุบปัจจุบันมากมากๆากมากก็มาเข้าไอ้ความคิดเกิดขึ้นแล้มันก็ดับไปเองความคิดกิดับไปเองเนี่ยเขาเรียกว่าเราเริ่มรู้จักอนิจจังละทําให้มันเป็นอนิจจังเยอะเยอะมองไกลๆโยมอย่าหลับตามองไกลๆต้องฝึกปฏิบัติแต่ละวันละ ว, วันเนี่ย ยิ่งถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ เ, เข้มแข็งแนะสามารถหลุดออกจากอาสวะทําทได้เลยยิ่งดีเลยวั น, น, นหนึ่งเราจะไม่มัวเวลามานั่งสเสวยความสุขไปชั่วคู่ชั่วขณะถ้าไม่เหมือนบุรุษอาชาเป็นผู้ที่มีกําลังมากสามารถกดหัวเด็กไว้ได้คนมีกําลังมากกดหัวคนมีกําลังน้อยได้อ่ะ คนที่มีกําลังมากอยู่ในตัวถ้าเขาเอาของสกปรกมาใส่ตัวเราเองเนี่ยเขสามารถเวียงไปได้ไกลๆทันทีเลยนั่นกันเนี่ยเวลาเราปฏิบัติทำเราสามารถเวี่ยงความคิดความง่วงออกจากตัวเองได้ไหรือยังความเหงาความสลืมสลือพวกเนี่ยเวี่ยงทิ้งเป็นไหมหรือมีแต่จะขนมาใส่เพิ่มมันก็ไปเรื่อยจิตมันไม่มีกํำลังผมมันได้มีกําลังเนี่ยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ยังไง เห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์ก็ไม่ชีทุกข์เห็นสุขก็ไม่ใช่ชัสุขเป็นศักแต่ว่าธรรมาชาติเกิดขึ้นดับไปเฉยเเอร่างกายสังขารดีกว่ามันจะแตกระดับหนึ่งมันจะนานแต่ความยึดติดกับร่างกายสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนดับตรงนั้นเลย มีรูปกระดับที่รูปเลยเวทนากระดับที่เวทนาสัญญาสั่งขานปรากฏเกิดขึ้นดับตรงนั้นเลยแต่รูปกายเนี่ยมันเป็นวิบากขันที่ไม่ดับตรงนี้เลยไม่ได้เราได้แต่ถอนอุปทานความยึดติดในรูปปเนี่้มันเชือจานลงไปเรื่อยๆื่อยจนในที่สุดก็เป็นอนัตตาโดยธรรมชาตินะฮะดูสิภาวะอนัตตา เปรียบให้ฟังง่ายๆก็คือการรู้สึกตัวนี่เหมือนการจุดไฟแล้วเกิดการเติมเชือ้อใส่เชือ้อลงไปเรื่อยๆรืยๆืย ๆ, ๆ, ๆแล้วไฟนี่มันจะลุกโผล่ขึ้นมาสว่างขึ้นยิ่งมันสว่างมากเท่าไหร่ความมืดก็ยิ่งหายไปมืดคือความไม่รู้มืดคืออวิชชาเดี๋ยจะหายไปเดี่ยเราจะทำให้มันหายไปเนี่ยก็เติมเชื้อใส่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย ไฟเชี่ยวไฟมาเขา่ามาเขา่ามาเขา่าความสว่างความเกิดขึ้นในความมืดก็หายไปหายไปหายไปเพราะอย่าว่า ม, มีมืดก็มีสว่างมกลางวันก็นมีกลางคืนไอ้เรืองว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมากเอาความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้สึกคือความมืดมันก็หายไปหายไปหายไปสังเกตดูดิเรารู้สึกตัวมากความมืดมันก็หายไป ควาปรุงแต่มันก็ดับไปหายไปมันไม่ค่อยมี่ะมันจะมีมาจากไหนเนาะเราไม่ต้องหาปัญญาไม่ต้องหาศีลหาสมาธิอะไรทั้งนั้นเลยเอาแค่หาทําความรู้สึกตัวนี่ให้มากๆพอความรู้มากความไม่รู้ก็หายเป็นความรู้แจ้งปรากฏเกิดขึ้นความไม่รู้แจ้งก็หายวิชาปรากฏขึ้นอวิชาก็หายเนี่ย ต้องรู้สึกตัวมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นจนเป็นวิชาแล้วนะไม่ใช่รู้ตัวในน้อยธรรมดานะรู้มากๆากจนต้องเป็นตัดสรู้เน่หาให้เห็นนะไม่ต้องเป็นอะไร น, นี่นี่เพียยนจะเอาตัวรู้มาใส่เยอะๆ เ, เอาความตื่นตัวมาใส่มันปัญญามันก็จะแจ่มใสขึนมาเรื่อยๆ น, นะใจมันจะใสๆผลของการรู้ทุกเนี่ย มันทำให้เกิดการดับทุกข์พอรู้มากรู้มากรู้มากรู้มากเข้ามาเข้ายิ่งรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยความสงบระงับความดับมันก็หายไปมันก็แจ่มใสขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันใจมันจะเริ่มโล่งๆโปร่งๆใสๆบางทีก็ดับได้นานกว่าบางตัวที่เราชอบนะมันนานกว่าจะดับมันเป็นติดเนี่ยมันไปสร้างภพสร้างชาติเอาไว้ในอารมณ์มันกระดับยาก ที่ดับไปไวเข้าไว้เข้ามันจะเริ่มสั้นเขา้าสั้นเขา้าจะไปกลัวมันเรื่องไหนที่มันมาบ่อยๆดูมันอยู่นั่นแหละดูอยู่บ่อยๆมันมาเรื่องบ่อยๆกนะารมัธนาภาวัธนาวิภาะวะธนาาก็มีพวกเนี้ยแต่ก่อนก็รักอะไรอ่ะรักเพศตรงข้ามต่อมามันจะรักความสวยความงามรักธรรมชาติรักวัตถุสิ่งของรักของโบราณพวกเนี้ยบางคนสะสม เสื้อผ้าสะสมขวดเหล้าเก่า hmm. สะสมเครื่องใช้สะสมปืนสะสมมีด mm. สะสมเข็มขัดสะสมนิไทยไปทมเรื่องแล้วแต่มันจะบ้าไปทาความคิดมันจริงๆถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรเป็นความพอใจความรลึกลับของความพอใจอันลงตาก็ไม่ได้ mm. เขาเอาอะไรมาให้ก็ไม่มีไม่มีสะสม เนี่ยเขา่าสารีลิกธาตมาให้คนนั้นอามานี้มาสะสมก็รู้สึกว่าไม่ใช่อะไรเนีย่ยเป็นก้อนหินมาวางไว้นะให้คนโง่โง่ดูเล่นๆคือมันไม่มีอะไรเราไม่ได้สะสมอะไรสิ่งที่ควรสะสมเลกุศลและจิตกุศลและจิตคือความฉลาดทางใจที่รู้เท่าทันอารมณ์เนี่ย่วนสะสมมันเนี่ย สะสมตัวสติและลึกรู้เนี่ยมันทันถ้าสติมันเยอะมารู้เท่ากันมาความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ก็กน้อยเอาไปมาเ็ยมันไม่มีทุกข์เลยนะเนี่ยเป็นอนันตา